ทรงพบอุปการชีวกราชกุมารอาตามภาพจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉาพลันจึงดำริว่าภิกษุปัญจวคีมีอุปการะแก่เรามากที่ได้เฝ้าโปรนิบัติเราผู้มุ่งบำเพ็ญเพียรทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวคีก่อนแล้วดำริต่อไปว่าบัตดนี้ ภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ไหนหนาก็ได้เห็นภิกษุปัญจวคีอยู่ที่ป่าอิสิปตนมรกทายวันเขตกรุมพาราณสีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ราชกุมารครั้งนั้นอาตมาภาพพักอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความต้องการแล้วจึงหลีกจาริกไปทางกรุงพาราณสีราชกุมารอาชีวชื่ออุปกะ ได้พบอาตมาภาพผู้กาลังเดินทางไกลณราหวางแม่น้ำขยากับต้นโพธิพฤกษ์ได้ถามเราว่าอาวุโสอินรีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครเมื่ออุปกาชีวกถามอย่างนี้แล้วอาตมาภาพจึงได้กล่าวคาถาตอบอุปกาชีวกว่า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 เราผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้เยือกเย็นดับกิเลสในโลกได้แล้วเราจะไปเมืองหลวงของชาวกาสีประกาศธรรมจักตีกลองอมตะธรรมไปในโลกอันมีความมืดมนอุปการชีวกกล่าวว่าอาวุโสท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศอาตมภาพจึงกล่าวตอบว่า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 ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวคีราชกุมารลำดับนั้นอาตมภาพจะริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนะมรดกทายวันเขตกรุงพาราณสีได้เข้าไปหาภิกษุปัญจวคีถึงที่อยู่ภิกษุปัญจวคีเห็นอาตมภาพเดินมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันและกันว่าอาวุโสพระสมณาโคดมนี้เป็นผู้มากมา ก, มากคลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆกํำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาทและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งอาตมาภาพเข้าไปหาภิกษุปัญจวคีภิกษุปัญจวคีเขาก็ลืมข้อนัดหมายของตนบางพวกต้อนรับอาตมาภาพแล้วรับบาทและจีวรบางพวกปูลาดอาสนะ บางพวกจัดหาน้ำล้างเท้าแต่ภิกษุปัญจวคีเรียกอาตมาภาพโดยออกนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อภิกษุปัญจวคีกล่าวอย่างนั้นแล้วอาตมาภาพจึงห้ามภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่าอาวุโสตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงียบโสดับ เราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันท ร, ร์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรปะชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้เมื่ออตมภาพกล่าวอย่างนี้แล้ว ภิกษุปัญจวคีีได้กล่าวกับอัตมาภาพว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจุริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกระกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเส ร, ริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉไหนาจากบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐ อันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวคียกล่าวอย่างนั้นแล้วอาตมภาพจึงได้กล่าวกับภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมากไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงี่ยบโสดับ เราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้แม้ครั้งที่สองภิกษุปัญจวคีก็ได้กล่าวกับอัตมภาพว่า ละถึงแม้ครั้งที่สองอาตมภาพก็ได้กล่าวกับภิกษุปัญจวคีว่าละถึงแม้ครั้งที่สามภิกษุปัญจวคีก็ได้กล่าวกับอาตมภาพว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกขรกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้บัดนี้ พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉไหนาจากบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวคีกล่าวอย่างนี้แล้วอาตมภาพได้กล่าวกับภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจําได้หรือไม่ว่าถ้อยคําเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในกาลก่อนแต่นี้ ภิกษุปัญจวคีกล่าวว่าถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระพุทธเจ้าค่ะอัตมาภาพจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงียโ ส, สดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราบรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทาให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแน่แท้อาตมภาพสามารถทำให้ภิกษุปัญจวคียินยอมได้แล้วอาตมภาพกล่าวสอนภิกษุสองรูปภิกษุสมรูปก็เที่ยวบินธบาตเราทั้งหชั้นบิณธบาต ท, ที่ภิกษุสามรูปนามา อาตมภาพกล่าวสอนภิกษุสมรูปภิกษุสองรูปก็เที่ยวบินธบาตเราทั้งหชั้นบินธบาต ท, ที่ภิกษุสองรูปนำมาทรงแก้ปัญหาของโพธิราชกุมารครั้งนั้น ภิกษุปัญจวคีที่อาตมาภาพสั่งสอนและพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ไม่นานนั ก, ก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโพธิราชกุมารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกษุ ได้พระตถาคตเป็นผู้แนะนำนานเพียงไรหนอจึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารถ้าเช่นนั้นในข้อนี้อาตมภาพขอย้อนถามพระองค์ก่อนพระองค์พึงตอบตามที่พอพระไทย พระองค์ทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นว่ายอย่างไรพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างมิใช่หรือโพธิราชกุมารทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารพระองค์ทรงเข้าพระไทยความข้อนั้นว่ายอย่างไร บุรุษมาในเมืองนี้ด้วยเข้าใจว่าโพธิราชกุมารทรงรู้ศิลปะคือการทรงช้างการใช้ขอช้างเราจักศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของโพธิราชกุมารนั้นแต่เขาไม่มีศรัทธาจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีศรัทธาจะพึงบรรลุเขามีสุขภาพมีโรคาพาธมาก จึงไม่บรรลุผลเท่ากับคนที่มีสุขภาพมีโรคาพาดน้อยจะพึงบรรลุเขาเป็นคนโอ้อวดมีมานยาจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมานยาจะพึงบรรลุเขาเป็นผู้เกียดคร้านจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปรารบความเพียรจะพึงบรรลุและเขาเป็นผู้มีปัญญาซามจึงไม่บรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุราชกุมาร พระองค์ทรงเข้าประทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหมโพธิราชกุมารทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่างก็ไม่ควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของหม่อมฉันไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบทั้งหข้อ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 เขามีโรคาพาธน้อยจึงบรรลุผลเท่าที่คนผู้มีโรคาพาธน้อยจะพึงบรรลุเขาเป็นคนไม่อ้อวดไม่มีมานยาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ไม่อ้วอวดไม่มีมานยาจะพึงบรรลุเขาเป็นผู้ปราบความเพียรจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้ปราบความเพียรจะพึงบรรลุและเขาเป็นผู้มีปัญญาจึงบรรลุผลเท่าที่บุคคลผู้มีปัญญาจะพึงบรรลุราชกุมาร พระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของพระองค์บ้างไหมโพธิราชกุมารทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นแม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบแต่ละอย่างก็ควรศึกษาศิลปะคือการขี่ช้างการใช้ขอช้างในสำนักของหม่อมฉันได้ไม่จำต้องกล่าวถึงองค์ประกอบทั้งห้าข้อ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าราชกุมารองค์ของภิกษุผู้มีความเพียร5ประการนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันองค์ของภิกษุผู้มีความเพียรหประการอะไรบ้าง คือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันตัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบพี่พร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีประภาค2เป็นผู้มีสุขภาพมีโรคาพาดน้อยประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่าเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางพอเหมาะแก่การบาเพ็ญเพียร3 เ, เป็นผู้ไม่อ้อวดไม่มีมารยาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงในาศาสดาหรือในเพื่อนพระมารีผู้รู้ทั้งหลาย 4. เป็นผู้ปราบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบันมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยะเห็นความเกิดและความดับสามารถชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบราชกุมาร น, นี้แหลคือองค์ของภิกษุ ผู้มีความเพียรห้าประการราชกุมารภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียรห้าประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำจะพึงทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์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 จะพึงทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เาราคุณโลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ใช้เวลาเพียงหเดือนและถึงหเดือนสี่เดือนสมเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนกึ่งเดือนราชกุมารไม่ต้องถึงกึ่งเดือน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 3คืนสมวันสองคืนสองวันหนึ่งคืนหนึ่งวันราชกุมารไม่ต้องถึงหนึ่งคืนหนึ่งวันภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แห่งความเพียร5ประการนี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำมีตถาคตสั่งสอนในเวลาเยน็นก็จะบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้ามีตถาคตสั่งสอนในเวลาเช้า ก็จกบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโพธิราชคุมารไยกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้ามีคุณน่าอาศัศจรร์จิงพระธรรมมีคุณน่าอาศัศจรรจิงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอาศัศจริงพระภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเย็นจากบรรลุคุณวิเศษในเวลาเช้า ภิกษุที่พระตถาคตทรงสั่งสอนในเวลาเช้าจากบรรลุคุณวิเศษในเวลาเย็นโพที่ราชกุมารถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตั้งแต่อยู่ในคัน เมื่อโพธิราชกุมารตรัสอย่างนี้แล้วมานพสัญจิกาบุตรเด็กกราบทูลโพธิราชกุมารว่าท่านโพธิราชพระองค์นี้ทรงประกาศไว้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณน่าอัศจรรจิงพระธรรมมีคุณน่าอัศจรรจิงพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วน่าอัศจรร์จิงแต่พระองค์ไม่ทรงถึงพระโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ โพธิราชกุมารตรัสว่าสัญจิกาบุตรเพื่อนรักท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นสัญจิกาบุตรเพื่อนรักท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นเรื่องนั้นเราได้ฟังมาแล้วได้รับมาต่อพระพักของพระราชมารดาของเราแล้วคือครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นเสด็จแม่ของเรากําลังทรงพระคัน เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกคนที่อยู่ในครันของหม่อมฉันนี้จะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามเขาย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำเขาว่า เป็นอุบาสกพูดถึงสารณะนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตครั้งหนึ่งครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพสกะลาวันสถานที่ให้อภัยหมู่เนื้อเขตกรุงสูงสุมาระคีระแคว้นพักะนี้เวลานั้นแม่นมอ้มเราใส่สเอลพาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพธิราชกุมารพระองค์นี้ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำโพธิราชกุมาร น, นั้นว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสันติกาบุตรเพื่อนรักแม้ครั้งที่สามเรานี้ ย่อมถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลโพธิราชกุมารสูที่ห้าจบ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 มีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข้นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมคอไว้ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังครูงสาวัตถีทรงเที่ยว บ, บินทบาทในครูงสาวัตถีแล้วเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บงาเสนาสนะถือบาทและจีวรเสด็จไปตามทางที่โจรองคุลิมานซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาพบพระผู้มีพระภาค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 เขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ค่าแต่พระสมณะคนที่จะเดินทางนี้ต้องรวมพวกกันให้ได้สิบคนบ้างยี่สิบคนบ้างส0สิบคนบ้างสี่สิบคนบ้างห้าสิบคนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมือของโจรองคุลิมานจนได้เมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเฉยเสด็จต่อไป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 ให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข้นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ข้าแต่พระสมณะคนที่จะเดินทางนี้ต้องรวมพวกกันให้ได้สิบคนบ้าง2ี่สิบคนบ้างส0สิบคนบ้าง4ี่สิบคนบ้างห0สิบคนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมือของโจรองคุลิมานจนได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเฉยเสด็จต่อไป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 แต่ทำไมสมณะนี้เพียงรูปเดียวไม่มีเพื่อนสักคนชรอยจะมาข่มเราทางที่ดีเราพึงฆ่าสมณะรูปนี้เสียลำดาบนั้นโจรองคุลิมานถือดาบและโลผูกสอดแร่งธนูไว้พร้อมติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริดางพระผู้มีพระภาคทรงบรรดาลอิทาพิสังขารโดยวิธีที่โจรองคุลิมานจะวิ่งจนสุดกำลัง ก็ไม่สามารถจะตามทันพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปตามปกติได้ครั้งนั้นโจรองคุลิมานได้มีความคิดว่าหน้าอัศจริงไม่เคยปรากฏเมื่อก่อนแม้ช้างที่กำลังวิ่งม้าที่กำลังวิ่งรถที่กำลังแล่นเนื้อที่กำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามทันจับได้แต่เราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่ทันสมณะรูปนี้ซึ่งเดินตามปกติได้ จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าหยุดก่อนสมณนะหยุดก่อนสมณนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากจงหยุดจากนั้นโจรองคุลิมานคิดว่าสมณะเหล่านี้เป็นสักยะบุตรมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่แท้ๆกลับพูดว่า เราหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากจงหยุดทางที่ดีเราควรจะถามสมณรูปนี้ดูอ ง, งคุลิมานละพยศลำดับนั้นโจนองคุลิมานได้ถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า สมณะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วท่านต่างหากยังไม่หยุดกลับกล่าวหาข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่ายังไม่หยุดสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดอย่างไรข้าพเจ้าไม่หยุดอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าองค์คุลิมานระวังอาชญยาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วตลอดกาล ส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านสิชื่อว่ายังไม่หยุดโจรองคุลิมาลกล่าวว่าสมณะนานจริงหนอท่านผู้ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จมาถึงป่าใหญ่เพื่ออนุเคราะห์ข่าพระองค์ข่าพระองค์นั้นจักละการทาบาป พระฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของพระองค์โจรองค์คุลิมาลได้กล่าวอย่างนี้แล้วทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันโจรองค์คุลิมาลได้ถวายอภิวาทพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วทูลขอบรรพชากับพระสุคตณที่นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระกรุณาคุณทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้ตรัสกับโจรองคุลิมานในเวลานั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนี้แลเป็นภิกษุภาวะของโจรองคุลิมา น, นั้น พระเจ้าเปเสนทิโกสนเข้าเฝ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระองคุลิมานเป็นปัจชามะณะเสด็จหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีส่งเที่ยวจาริกไปโดยลาดับเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของอนาถบินิกเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีสมัยนั้น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 เขาเค็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ขอสมมติเทพจงทรงกำจัดมันเสียเถิดต่อมาพระเจ้าประเสนทิโคกโกสนเสด็จออกจากกรงสาวัตถีด้วยขบวนม้าประมาณ500ตัวเสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันทีเดียวเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพานะจะไปได้แล้วลงจากยาน เสด็จพระราชาดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรถามพระเจ้าเปรธิโธสนว่ามหาบพิษเจ้าแผ่นดินมคตจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองเจ้าลิชวีเมืองเวสาลีหรือพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่น ทรงทําให้พระองค์ขัดเคืองหรือพระเจ้าประสินธิโคศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าแผ่นดินมคตจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพ์พิสารมิได้ทรงทําให้หมอมฉันขัดเคืองแม้เจ้าลิชวีผู้ครองกรุงเวสาลีก็ไม่ได้ทรงทําให้หมอมฉันขัดเคืองแม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นก็ไม่ได้ทรงทําให้หม่อมฉันขัดเคืองเช่นกันในแคว้นของหมอมฉัน มีโจรชื่อองค์คุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองค์คุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข้นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้หม่อมฉันจักไปกําจัดมันเสียพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษ ถ้าพระองค์จะพึงพบองคุลิมานผู้โกนผมและโหนดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันพัตหานมือเดียวเป็นโพรมจารีมีศีลมีการณยานธรรมพระองค์สมควรจะจัดการกับเขาเช่นไรพระเจ้าระเสนธิโกสนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มอมฉันควรกราบไหว้ลุกรับนิมนต์ให้นั่งหรือเจาะจงนิมนต์ท่านด้วยจีวรบินธบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพสัตว์บริขารหรือควรจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันตามความเหมาะสมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่โจรองคุลิมานนั้นเป็นคนทุศีนมีบาปธรรมจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานนี้ได้ที่ไหน สมัยนั้นท่านพระองคุลิมานนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าเปรตที่โกรโศนว่ามหาบาพิษนั่นคือองคุลิมานท่านใดนั้นพระเจ้าเปรตที่โกสธโศนทรงมีความกลัวมีความหวาดหวัน่นมีพระโลมชาชูชันมีขนพองสยองกล้าว พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าเะเสนทิโกลนทรงกลัวทรงหวาดวันมีพระลมชาติชูชันจึงตรัสกับพระเจ้าเะเสนทิโคสนว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาปิอย่าทรงกลัวเลยมหาปิฏองคุลิมานนี้ไม่มีอันตรายต่อพระองค์จากนั้นพระเจ้าประเสนทิโคสนทรงระงับความกลัวความหวาดวันหรือ พระโลมาชาที่ชูชันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระองคุลิมานถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสถามท่านพระองคุลิมานว่าพระคุณเจ้าชื่อว่าองคุลิมานใช่ไหมท่านพระองคุลิมานถวายพระพรว่าใช่มหาบพิษพระเจ้าปเปเสนที่โกรสลตรัสถามว่าบิดาของพระคุณเจ้ามีโทษอย่างไรมารดาของพระคุณเจ้ามีโคษอย่างไร ท่านพระองค์คุลิมาถวายพระพรว่ามหาบพิษบิดาชื่อคัคคะมารดาชื่อมันตานีพระเจ้าประเสรตที่โคสนตรัสว่าขอพระคุณเจ้าคัคะคะมันตานีบุตรจงอภิรมเร์เถิดโยมจากทําความขนไหายเพื่อถวายจีวรบินธบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตวบริขารแด่พระคุณเจ้าคัคะคะมันตานีบุตรเอง สมัยนั้นท่านพระองคุลิมาถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบินตบาทเป็นวัดถือ้าบางสุกุนเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดครั้งนั้นท่านพระองคุลิมาจึงถวายพระพรพ ร, พระเจ้าเปรตที่โกรธโศนว่าอย่าเลยมหาปะพิธไตรจีวรของอัตมาภาพมีครบแล้วครั้งนั้นพระเจ้าประเี่โกรธโศนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วจึงประทับนั่งนาที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุคคลที่ใครๆฝึกไม่ได้ทรงทำบุคคลที่ใครๆทำให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงทำบุคคลที่ใครๆดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่ามอมฉัน ทั้งที่มีอาชียามีศัตราอยู่พร้อมก็ไม่สามารถจะฝึกผู้ใดไ ด, ได้แต่พระผู้มีพระภาคไม่มีอาชียาไม่มีศัตราเลยยังฝึกผู้นั้นได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นบัดนี้มอมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาปพิธจงกาหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิด ลำดับนั้นพระเจ้าปเปเสนที่โคศนทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป